ขอขอบุชาพระธนตรัยขอกาบบุชาครูบาอาจารย <c oughs> ์ตั้งแต่หลวงปู่เทียนหลวงพ่อคำเขียนขอกับกระวะพระจันทร์สุรินและก็เพื่อนสาธ ร, รมิกนะที่มาร่วมกันใช้ชีวิตที่นี่ขอเจริญพรแม่ชีและก็ญาติโยมทุกท่านนะที่มา ปฏิบัติธรรมที่วัดป่าสุกโตเอ่ออละนั่งตามสบายนะเออวันนี้ก็เป็นวันพระใหญ่นะถ้าดูตามปฏิทินก็เป็นวันขึ้นสิบห้าค่เดือนแปดถ้าไม่มีแปดสองแปดวันนี้ก็จะเป็นวันอาสาฬหบูชานะแต่ปีนี้ก็เลื่อนไปอีกเดือนหนึ่งนะเป็นเดือนหน้า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 นังสือพะไตพปิดกบ้างนะหนังสือธรรมะบ้างนะพระสงฆ์นะโดยส่วนใหญ่เราก็จะไปมุ่งตรงที่พระภิกษุนะสงฆ์ซึ่งอาจจะเป็นส ม, มุติสงฆ์แต่ถ้าเราดูในรายละเอียดลงไปในบทสวดนะพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นสภาวะนะของการตื่นรู้บิกบานนะซึ่งเราทุกคนเนี่ยมีเพราะฉะนั้นการน้อม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 ที่มันแสดงปรากฏออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าใจนสิ่งที่เป็นความจริงซึ่งก็คือพระธรรมนั่นเองและขณะที่เราดูาเรามองเห็นสิ่งเหล่านี้ เ, เราก็เป็นผู้ปฏิบัติก็คือเป็นพระสงฆ์นั่นเองเพราะฉะนั้นการที่เรามาไหว้พระสวดมนต์เนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งที่จะให้เราน้อมมาบูชาพระรัตนตรยที่แท้จริงซึ่งมีอยู่ในตัวเราเพราะฉะนั้น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 บทของว่าด้วยความทุกขนะ์ซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้านะก็ได้นําเสนอนะได้ค้นพบนะว่าสิ่งแรกนะของการที่เราจะเข้าใจธรรมะได้ก็คือเราต้องรู้จักทุกข์เสก่อนนะซึ่งความทุกข์ก็มีทั้งที่เป็นความทุกข์ทีเ่เกิดขึ้นกับกายนะก็คือการเกิดการแก่การเจ็บการตายนะนี้เป็นสิ่งที่เรามองเห็นได้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 นะบทเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ใช้สําหรับให้กําลังใจนะกับคนที่ประพฤติปฏิบัตนะิหรือแม้แต่การสามารถที่จะเปลี่ยนใจองค์ุริมาไดนะ้โดยการใช้ อ, อ, อิทธิฤทธิต์ต่างๆนะแล้วก็ใช้คําพูดนะที่ทําให้องค์ุริมานนั้นเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจนะมาบูตรไดนะ้นี่เป็นสิ่งที่เราได้สาธยายมนนะซึ่งตรงนี้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 ไม่รีบเร่งอะไรแต่ในยุคปัจจุบันเป็นสังคมอุตสาหกรรมเป็นสังคมไฮเทคที่ต้องมีการเคลื่อนไหวมีการทำกิจกรรมสิ่งน้นสินนีนะ้ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องอาศัยการเจริญสตินะที่ทำกับการเคลื่อนไหวโดยไม่ต้องหลับตานะให้ลืมตาขึ้นมาวิธีการนี้เนี่ยหลวงพ่อเทียนนะจิ ต, ตสุพโพนะหรือ บางทีเราก็รู้จักกันในนามของอ so ุบาสกพันอินทริวชื่อจริงของท่านคือพั inter นธะุ์อินทริวซึ่งเป็นคนจังหวัดเลยนะท่านได้ค้นพบวิธีนี้และก็นํามาเผยแพร่เมื่อประมาณ50ปีที่แล้วนะก็เป็นที่รู้จักกันมากขึ้นนะสมัยก่อนนี้ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักเท่าไหร่เพราะว่าการทํากรรมฐานก็ดีการเจริญสติก็ดีแต่ก่อนนั้น จะเน้นให้นั่งหลับตาแล้วก็ให้จิตสงบนะเมื่อจิตสงบแล้วก็ให้คำว่สงบในที่นี้คือไม่ไม่ใช่หลับไปเลยก็ต้องตื่นรู้ขึ้นมานะนั่นก็เป็นวิธีการใน อ, อ, อีกรูปแบบหนึ่งซึ่งปัจจุบันก็ยังเป็นที่แพร่หลายอยู่เพราะฉะนั้นหลายๆคนคงจะเคยผ่านวิธีนั้นมานะวิธีนั้นก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะมีทั้งจุด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 เราก็กลับมาอยู่กับเนือกับตัวนี่เป็นวิธีการที่จะเรียกใจเนี่ยกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวนะก็เรียกว่าเป็นการเรียกขวัญเนี่ยกลับมาอยู่กับตัวได้นะเป็นสตินะเมื่อเราทำบ่อยๆทำเรื่อยๆชำนาญความรู้สึกเนี่ยมันจะเกิดการต่อเนื่องขึ้นมาเนะมื่อความรู้สึกที่กายต่อเนื่องชัดเจนแล้วเนี่ยนะมันก็จะเริ่มไปสัมผสัสกับ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 นะและเมื่อเราเห็นสิ่งที่เราชอบใจเรามีความสุขนะมีความสบายใจนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราเรา ก, ก็รู้ทันหรือสิ่งที่เราเห็นแล้วเราไม่ชอบใจเกิดความอึดอัดขัดเลืองขึ้นมานะเป็นความทุกขนะ์ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นขึ้นมาหรือบางครั้งมันก็ไม่สุขมันก็ไม่ทุกข์มันวางใจเฉยมันก็แสดงตงัวอมันอ ย, อย่างนั้นนะอันนี้ก็เรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน นะซึ่งก็เป็ น, ปนในส่วนที่สองนะคำว่าเวทนาเนี่ยคนไทยเราหมายถึงสงสารแต่คำบาลีจริงๆเนี่ยหมายถึงความรู้สึกนะความรู้สึกภากษาอังกฤษใช้คว่า feeling นะอันนี้เป็นส่วนที่สองนะที่เราจะได้เรียนรู้เพราะนั้นถ้าเราทำไปบ่อยๆเนี่ ย, ยมันจะเกิดอันนี้ขึ้นมาเมื่อเราทาบ่อยๆทำเรื่อยๆเกิดความชำนาญเห็นความรู้สึกตัวที่ชัดแล้วเนี่ย นะมันก็จะเข้าไปเห็นสิ่งที่จิตเนี่ยมันสร้างขึ้นมาหรือว่ า, าปรุงแต่งขึ้นมาในรูปของความคิดความคิดต่างๆคิดดีคิดไม่ดีความคิดต่างๆนะโดยเฉพาะอันนี้เนี่ยเนะขาเรียกว่ า, าภาษาเรียกว่าจิตตานุปัสนาสติปาฐานนะก็คือในส่วนที่สานะความคิดเนี่ยโอ้โหมันสารพัดนะมันจะมี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 บางทีก็เป็นความสุขบางทีก็เป็นความทุกข์เป็นร่องรอยที่เกิดขึ้นสิ่งต่างๆ่เหล่านี้เข้ามาแสดงให้เราดูนะเหมือนเป็นเป็นภา พ, นพนยนตร์เป็นละครนะที่แสดงให้เราดูให้เรารู้ทันเพราะฉะนั้นการมาเจริญสติเนี่ยนะมันเหมือนกับเราดูดูภาพนยนตนระ์นะแต่เป็นภาพนยนตร์ชีวิต ท, ที่จริงนะเราไปดูภาพนยนตร์ข้างนอก น, อกนี่มันมันเป็นเรื่องที่สร้างขึ้นแต่นี้เราไม่ได้สร้างขึ้นมันเป็นสิ่งที่แสดงตัวออกมาให้เราเรียนรู้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 นะเราก็จะเห็นความจริงนะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่4ที่เรียกว่าธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานนะเมื่อเราเห็นอย่างนี้ได้ชัดๆแล้วเนี่ยนะใจของเราก็จะไม่ตกจมไปอยู่ในความไม่แน่นอนนะเราก็จะกลับมาอยู่ที่ความเป็นปกติของใจนะสติปัฏฐาน4เนี่ยอันนี้ก็เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นส่วนที่เราจะเอามาฝึกกันนะในส่วนใน4ส่วนเนี่ยนะทั้งทั้งสี่ ทั้งสอันเนี่ยนะเราจะเริ่มต้นที่กายานุปัสนาสติปฐานทําตรงนี้ให้ชัดๆนะเราอย่าเพิ่งไปสนใจเรื่องออความรู้สึกความนึกคิดหรือสิ่งต่างๆอย่าเพิ่งไปสนใจโดยเฉพาะคนแรกๆอย่าเพิ่งไปสนใจให้มาสนใจที่กายเคลื่อนไหวก่อนถ้ากายเคลื่อนไหวชัดมันจะเป็นฐานสําคัญที่เราจะให้ไปรู้สิ่งที่มันละเอียดอ่อนเข้าไป นะที่ว่าเวทานานุปัสนาจิตานุปัสนาแล้วก็ธรรมานุปัสนามันจะเป็นไปเองสติเขาจะทำหน้าที่ของเขาเองเราไม่ได้ไปสั่งเขาเราไม่ได้ไปทําเขาเพียงแต่เราสร้างเหตุก็คือทําความรู้สึกตัวที่กายนี้ให้ชัดทีนี้ก็มีอุปสรรคเหมือนกันสำหรับคนที่ฝึกนะไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่ก็ตามนะอุปรสรรคสาคัญนะก็เป็นความเคยชินเก่าๆเนี่ย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 การปล่อยวางโดยธรรมชาติโดยไม่ได้ต้องไปตั้งใจไม่ต้องไปกะเกณมันมันจะเป็นเองนะนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแรกๆเนี่ยมันก็จะปล่อยวางได้เล็ก ๆ, ๆ, ๆนะ้อยๆก็เรียกว่าเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นการปล่อยวางได้นิดๆนหน่อยๆแต่เราทำบ่อยๆทำเรื่อยๆจนเกิดความชำนาญก็จะเป็นอัตโนมัติมันจะเกิดนิสัยใหม่เป็นนิสัยแห่งความรู้สึกตัว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 ในเร็ววันนี้โดยทั่ น, นโดยทั่วหน้าทุกท่านเทินเจริญพร